รับใช้ผู้อื่นเพราะข้อที่บอกว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งมีค่าผมก็เห็นแล้วว่ามีค่าจริงชีวิตนี้เราให้ใจเข้าและออกแต่ละช่วงขณะนี้มีค่ามากปกติเย็นเป็นสุขนี่เราก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองแต่ว่าทําให้ประโยชน์กับผู้อื่นด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทําต่อไปกับผมทําน้อยมากผมเลยตั้งใจเลยว่าผมจะมีหน้าที่รับใช้วันแรกที่ผมกลับมาถึงบ้านและผมกอดภรรยาผมเนี่ยนะครับผมพูดกับเธอเลยบอกขอบคุณที่สุดที่โอกาสที่ให้กับผม ต่อไปนี้ผมจะรับใช้ให้ดีที่สุดถ้าผมไม่สามารถรับใช้เขาซึ่งเป็นคนที่ผมรักมากแล้วผมจะไปรับใช้คนอื่นได้อย่างไรช่วยช่วยให้ผมได้รับใช้เพราะฉะนั้นผมจะทำหน้าที่รับใช้เขาก่อนแล้วผมจะไปรับใช้คนอื่นต่ อ, ตอไปนี่คือหลักที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะขอเดินไปเมื่อผมทาบันทึกเล่มนี้เสร็จเนี่ยผมจะเขียนไว้ในสุดท้ายบอกว่า มีใครปรารถนาที่จะพบกับผมไม่ต้องมาหาผมผมจะเดินไปพบเขา <c oughs> ถ้าเขาอยู่ที่ปัตตนีผมอาจจะก็เวลาสักปีหนึ่งหรือประมาณเนี้นะครับ <c oughs> เพื่อเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเขาอยู่ที่อุบลหรือที่ไหนผมก็จะไปถ้าผมไม่ตายระหว่างทางเราคงไม่เจอกันผมคิดว่าการกระทําเช่นนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่ายืนยันสิ่งที่มันเป็นความมุ่งมั่นปรารถนาที่ผมจะไปพบและรับใช้เขาให้ได้แต่ น, นั้นเองนะครับ ก, ก็ตั้งใจไวอ้อย่างนี้แล้วผมคิดว่าสิ่งที่มันมีเหลืออยู่เนี่ยนะครับของเวลา ผมสำนึกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอพูดยาวไป็นนิดหนึ่นก่อนจะไปตอบคําถามของอาจารย์ข้อที่ข้อแรกแหละครัอาจารย์หมอขอ้ขอนัคื อ, อ, อ, อมันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยคิดเลยว่าการยืนตัวในนิ่งนิ่งเวลาสงบตอนที่ผมเดินอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงซึ่งมันเป็นเขตป่านะครับแล้วผมเดินรัดอุทยานเนือ่องจากปรึกษาเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วว่าเดินผ่านอุทยานได้เพราะว่ามันมีร่องรอยของการเดินของหน่วยพิทักษ์ป่า ผมจังเดินไปในป่าที่ไม่ได้มีถนนไม่ได้มีทางอะไรเลยเนี่ยนะครับแต่เขาบอกว่ามีแนวพลอดทั้งเกตได้ช่วงที่ผมเดินไปเนี่ยผมไปพบอะไรเล็กมากเลยแต่ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเล็กๆนี้อสอนใจผมจนไม่รู้จะพูดยังไงดีคือพบไส้เดือนที่ดิน้นแล้วก็มีมดกัดนะครับในป่ามันจะแต่ผมก็นั่งลงใครุ้ครวนตอนแรกตั้งใจว่าจะช่วยหรือจะทํำยังไงดีมันเกิดความละลๆ ล, ล, ลังในชีวิตของผมอะ เรากําลังจะช่วยแท้เดือนหรือเรากำลังจะปฏิสลายมดยยนี่คือสิ่งอะไรที่ท้าทายผมมากเลยและผมนั่งลงแล้วก็จ้องดูจ ร, ริยาอาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะถ้าจะช่วยแท้เดือนก็ต้องหาไม้หรืออะไรไปไปไ ป, ไปทำลายชีวิตมดผมสอนพัฒยาตอ ท, ที่คุณหมอโอ ม, ม่าพูดถึงเนี่ยจะเหตุผลมาตลอดเลยนะว่าเราจะตัดสินความดีกันยังไงแต่วันนั้นไม่มีเหตุผลเลยครับมันมีแต่อารมณ์ความรู้สึกและอารมณ์ความรู้สึกอันหนึ่งเกิดขึ้นก็คือ มันไม่ใช่การเบียดเบียนกันนะนี่นี่มันเป็นการเกื้อกูลกันในโลกใบนี้นะครับผมเข้าใจว่าไส้เดือนมันขึ้นมาเป็นผิวดินนี่มันเหมือนกับบอกว่าชีวิตนี้คงพอแล้วล่ะขอที่จะจบลงชีวิตนี้เพื่อต่อชีวิตให้หมดและมดนี่เมื่กินไส้เดืนเสร็จแล้วก็ต่อชีวิตนี้ไปอีกคือผมสะท้อนนึ้งตัวผมเองอะ่ะว่าชีวิตของเราที่มีอยู่เมื่อตะกี้ผมเล่า ว, ว่าอาหารมื้อแรกที่ผมกิน น, นะครับถูกต่อได้โดยแม่ขายขายก๋วยเตี๋ยวแต่จริงๆแล้วธรรมชาติอีกมากมายที่จบสิ้นลงเพื่อต่อชีวิตให้ผม ผมไม่เคยคิดเลยนะครับสัตว์ไม่รู้เท่าไหร่แล้วที่ตายลงนะครับเพื่อผมมีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้และวันนี้ตอนที่ผมนั่งดูไส้เดือนที่มันดิน้นและสุดท้ายมันก็ต้องตกเป็นเหยื่อมดเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่ใช่การเบียดเบียนกันมั้งมันคงเป็นวงจรของธรรมชาติธรรมชาติที่ชีวิตหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็สละชีวิตนั้นเพื่อต่อชีวิตอื่นๆ ในโลกที่เราอาศัยอยู่นี้มันมีสิ่งต่างๆที่เกิดดำอยู่ตลอดเวลาคําถามคือเราจะเกิดตั้งอยู่ระดับไปในลักษณะที่เป็นห่วงโซ่ต่อให้ชีวิตอื่นมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อเบียดเบียนชีวิตอื่นผมก็จะอยูตรงนี้อยู่ที่จิตเราแหะตอนขณะที่คิดได้เช่นนี้นะครับผมรู้สึกเลยว่ารู้สึกเลยว่าผมต้องขอบคุณไส้เดือนและขอบคุณมดเพราะทั้งไส้เดือนและทั้งมดเนี่ยนะเขาก็เป็นห่วงโซ่ไว้เกิดอื่นๆซึ่งเป็นอาหารเป็นอะไรในธรรมชาตินี้ให้ผมมีชีวิตอยู่ และผมเกิดความรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันมันมันยิ่งใหญ่จริงๆผมมีความรู้สึกขอโทษนะครับรู้สึกสํานึกตอนนั้นเลยนะครับในช่วงเวลาที่การเห็นเช่นนั้นนะว่าเพราะมดและเพราะไส้เดือนเหล่านี้นี้เองจึงทําให้เกิดห่วงโซ่แห่งความเกื้อกูลอิงอาศัยซึ่งกันและกันอาหารอากาศสปปรรพสิ่งในโลกใบ น, นี้ที่เราใช้บริโภคใ่ปัจจุบันเนี่ยล้วนแต่เป็นชีวิตของชีวิตอื่นๆทั้งนั้นที่ต้องจบลงและวันหนึ่งเราก็ต้องจบลงเพื่อต่อชีวิตอื่น ผมก็ใจว่านี้เป็นอารมณ์นะครับเป็นอารมณ์ที่ตามผมอยากรับใช้ผู้อื่นมากทีนี้อาจารย์ถามข้อแรกที่ผมก็้าใจว่าคงตอบยากแต่ผมมานั่งทบทวนว่าจริงๆแล้วชีวิตผมเนี่ยเหมือนกับมีโชคโชคคือหมายความว่าผมไปเกิดในสภาพแวดล้อมที่ดีผมเกิดที่เกาะสมุยหนึงสมัยนั้นงดงามมากๆผมยังจําภาพตอนเป็นเด็กๆที่ผมอยู่โรงเรียนที่ติดกับทะเลวิ่งเล่นชายทะเลนะครับแล้วก็มีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ผมเจอครูที่ดีครูที่ดีคือครูที่ผมยังจําได้ไม่เคยลืมเลยว่า ครูคนนี้ทําให้ผมใฝ่ฝันอยากเป็นครูผมก็เล่าเร่องนี้นิดนึงเพื่อบูชาครูของผมนะครับช่วงสมัยที่ผมเป็นเด็กนักเรียนอยู่เนี่ยนะครับเราเป็นเด็กบ้านนอกครับเด็กบ้านนอกครูจาบ้านนอกเขก็จะมีระเบียบตอนชเช้าก็ต้องตรวจแถวนักเรียนเพื่อจะดูว่าตัดเล็บเรียบร้อยไหมเอาเสื้อใส่ในกางเกงไหมนะครับแล้วก็จะมีการลงโทษเช่นดึงหูบ้างดึงจมูกบ้างหรือมบบรรทัดตีมือบ้างเพราะเราก็ถูกลงโทษกันทุก ว, วันนะเพราะสอนอยังไงก็ไม่เคยจา วันหนึ่งมีครูคนใหม่คนหนึ่งนะครับผมเขาเอ่ยชื่อไว้ในที่นี้ครูคนนี้อยู่ที่ไหนผมไม่รู้เลยปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ผมคิดว่าท่านคงมีชีวิตอยู่นะครับถ้าท่านรู้โดยวิธีใดวิธีไหนก็ให้นึกถึงผมลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านคิดถึงท่านและผมเป็นครูได้ขอท่านชื่อคุณครูพิกุลมณีโชตเป็นครูผู้หญิงเพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆไปบรรจุที่โรงเรียนที่ผมเป็นเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยนะครับแล้ววันนั้นถัดมาไม่กี่วันหลังจากที่ครูบรรจุใหม่ๆเนี่ยพวก ครูพี่กุลมณ่ีโชดมาตรวจแถวนักเรียนยามเช้านะครับแล้วพวกเราก็ต้องทำเหมือนเดิมก็คือยืนตัวตรงยื่นมือไปข้างหน้านะครับเพื่อให้ครูตรวจว่ามี ม, มีมีเล็บยาวมีเล็บดำๆหรือเปล่าและครูถ้าตรวจไปส้าเดินผ่านก็แสดงไม่มีปัญหาแต่ถ้าครูหยุดหน้าหน้านักเรียนคนใดก็แสดงว่าต้องมีปัญหา แล้วครูก็เดินมาเราตามมาซาเด็กก็ใจสั่นว่าวันนี้จะฝ่านไปได้ดีหรือเปล่านะครับคือครูตีไม่ได้กลัวนะครับกลัวเพื่อนล้อเรียนหลังจากเลิกเรียนแล้วมันยกพวกต่อยกันตีกันประจำเพราะว่าเอาเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยมาล้อเรียนกันแล้วมันมันเหมือนกับอะไรที่ไม่รู้ครูพี่กุณเดินแล้วมาหยุดหน้าผมผมนี่ใช้ภาษาในปัจจุบันผงบอกว่าเย็นว่าบเลยนะครับมีความสุขเมื่อว่าเอาอีกแล้ววันนี้ถ้าถ้าพูดเป็นภาษาตอนนั้นก็คือกูสวยอีกแล้ววันนี้เนี่ยนะครับ นึกว่ามันต้องมีความรู้สึกว่าตัวเองผิดพยายามมองพืที่มันนิ้วตัวเองกางนิ้วก็ไม่มีเล็บยาวนี่ช่วงขณะที่กําลังมองว่าตัวเองผิดอะไรเนี่ยนะครับครูพี่คุณนั่งลงสมัยนั้นครูนุ่งกระโปรงสุ่มไก่อะครับพอนั่งลงไปแล้วมันก็คล่อมไปเลยพอนั่งลงไปแล้วเนี่ยระดับหน้าของครูมก็มาก็มาอยู่ใกล้ๆกับผมแนละ้วแต่สิ่งที่มหัศจรรย์มากนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากแล้วผมอยากจะบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์คือ ครูพี่คุณไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับตอนนั้นผมพบว่าผมเนี่ยรัดเข็มขัดโดยที่ไม่เอาสายเข็มขัดที่เหลืออยู่เนี่ยนะใส่ในสายยูงเก่งเพราะครูพี่คุณเลยยังดึงเข็มขัดที่ยังเหลืออยู่แล้วก็สอดเข้าไปให้แล้วเงยหน้าขึ้นชิมให้ผมแล้วบอกว่าต่อไปนี้ให้รัดเข็มขัดแล้วทาอย่างนี้ทุกครั้งนะแล้วครูรัดเข็มขัดให้ผมแล้วพอลุกขึ้นไปผมผมตอนเด็กผมไม่ได้คิดอะไรมากเนะแต่ตอนโตมาตอนแล้วเนี่ยผมจึงรู้ว่า ความงดงามความรู้สึกทรงจําที่ดีๆนี่นะครับคือชีวิตของผมณนะปัจจุบันนี้อายุ52ปีจะ<ม>คิดซอยย่อยเป็นนาทีเป็นวินาทีเนี่ยนะครับนับไม่ถูกนับไม่ทั่วแล้วนะครับแต่เสี้ยววินาทีที่ครูพิกุลมณีชด น, นั่งลงและรัดเข็มขัดให้ผมและกล่าวคําว่าต่อไปนี้เมื่อรัดเข็มขัดให้ทําอย่างนี้ทุกครั้งนะจดจําตราตรึงไม่เคยลืมนะครับและผมมีความรู้สึกเลยว่าผมอยากเป็นครูแบบนี้่ ผมอยากเป็นครูแบบนี้และนี่จึงเป็นความฝ่ันที่ผมคิดอยากจะเป็นครูนะครับคิดอยากจะเป็นครูแล้วผมก็ได้เป็นครูนะครับแม้ไม่ได้เป็นครูแต่ผมกลับมาจากอินเดียใหม่ๆผมไปที่กระทรวงศึกษาธิการเลยเพื่อจะสมัครเป็นครูแต่ปรากฏว่าผมไม่ได้จบมาทางสายคาุศาสตร์นะครับเขาจึงบอกว่าไม่ได้นะครับเพาคนจะเป็นครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องจบการศึกษาสายคารุศาสตร์ผมเลยอาจจะได้ยกวโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่ทราบก็เลยได้ไปเป็นครูที่มหาลัยเชียงใหม่เพราก็ไม่ติดประเด็นเรื่องจบคารุศาสตร์นะครับ และผมก็พยายามเป็นครูสิ่งที่อาจารย์เอกวิษฐถามผมก็คือผมก็ใจว่านับจากเด็กนะครับจนกระทั่งมาเป็นครูในมาหาลัยเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามเสมอมาก็คือพยายามเป็นครูพยายามเป็นครูให้ดีที่สุดและความพยายามที่จะเป็นครูให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับมผมพบว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับคำพูดและคําสอนของผมหรือที่อาจารย์หมอประเวศบอกว่าการใช่เหตุผลเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรและผมคิดว่ามีเหตุผลอื่นที่ดีกว่าเหตุผเหตุผลที่ผมอ้าง อเมื่อะ ก, กี้ผมเปิดอ่เปิดหนังสือขึ้นมาดูเพราะผมคิดว่าผมจะตอบคำถามนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าตรงนั้ที่อาจารย์หมอผมมากพูดด้วยว่าวันที่ผมปิดห้องเรียนแล้วนักศึกษาเขามาขอให้ผมอยู่ต่อเนี่ยนะครับผมต้องหเหตุผลเพราะว่าจะห้ามผมเลยเพราะถ้าก็คุณห้ามผมผมก็ไปไม่ได้ผมภรรยาคนหนึ่งอนุญาตก็คุณต้องอนาตผมด้ย ผ, ผ, ผ, ผ, ผ, ผมก็บีบคั้นเขาเนี่ยนะครับแล้วผมก็บอกว่าวิชาที่ผมสอนเนี่ยมันเป็นวิชาที่คิดถึงเหตุผลมาตลอด และผมพยายามและเกินที่จะยัดเยียดเหตุผลในการตัดสินสิ่งต่างๆให้กับพวกคุณมาตลอดให้มีเหตุผลที่จะแยกความจริงออกมากจากความเท็จให้มีเหตุผลที่จะแยกความไม่รู้ออกมากจากความรู้ให้มีเหตุผลที่จะแยกความชั่วออกมากจากความดีแต่วันนี้ที่ผมมาเป็นครูนานนับ20ปีเนี่ยนะครับขอโทษแต่ผมเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยผมรู้นะว่าโธสะความโกรธนี่เป็นสิ่งไม่ดีผมรู้นะว่าเมตตาเป็นสิ่งที่ดี แต่ผมก็ยังไม่สามารถที่จะรักใครให้สุดจิตสุดใจผมยังมีคนที่ผมเกลียดชังและชีวิตผมเหลือสั้นเต็มทีแล้วเพราะนั้นขอให้ผมไปให้ผมไปผมจะได้ไปหาสิ่งที่มันจะสามารถทําให้ผมเนี่ยนะครับมีมีอะไรเหตุผลผมผมเรียนม า, มากผมจบปริญญาเอกมาทางปรัชญาใช้เหตุผลมาตลอดเลยครับ มีเหตุแล้วก็ใช้เหตุผลเนี่ยโต้เถียงโต้แย้งกันตลอดนะครับในตอนเป็นอาจารย์อยู่ในหมหาลัยเนี่ยเหตุผลเป็นเรื่องสําคัญประชุมกันแต่ละครั้งประชุมกันแต่ละคราวล้วนแต่เป็นเหตุผลกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็เครียดกันทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายที่ชนะไปก็หยิงพยองว่าตัวเองมีเหตุผลดีกว่าฝ่ายที่แพ้ไปก็ต้องอกต้องคิดทาเหตุผลใหม่อย่างนี้และสุดท้ายผมพบว่าเหตุผลอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญแต่ไม่ใช่สําคัญที่สุด นในพระพุทธศาสนาจึงมีข้อคำกล่าวว่าปัญญาที่เกิดจากจินตามายะปัญญาเนี่ยนะครับยังไม่ใช่ที่สุดมันต้องเป็นภาวนาไมยาปัญญาคือความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตได้สัมผัสรู้โดยตรงตัวจิตเองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคําถามที่อาจารย์ถามผมจึงอยากเรียนว่าผมผมพยายามไขขวนผมเคยถามตัวเองเมันกันนะครับจริงๆแล้วผมมีปัจจัยที่สําคัญสองปัจจัยที่ผมเขียวา ก, การเปลี่ยนแป ล, ปลงครั้งใหญ่ในชีวิต การเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ในชีวิตตอนที้ผมจะออกเนี่ยผมตั้งชื่อการออกเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายในชีวิตการเปลี่ยนแปลง2ครั้งแรกเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สุดคือผมได้บวชในพระพุทธศาสนาในปีพุทธศักราชสองพตอนนั้นผมเป็นกรรมกรรับจ้างอยู่ปีเดียวกับที่ครูโคโมลขีนทองถูกฆ่าตายและจุดที่ผมไปทํางานก็อยู่ใกล้ๆกับที่ครูโคโมลถูกฆ่าตายนะครับ และหลังจากนั้นก็มีการปราบปรามนะครับโดยใายกําลังได้ใช้วิธีทิ้งระเบิดปูพรมและผมก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่รอดตายออกมาได้ความรู้สึกโศกสลดและความรู้สึกตื่นตื่นตะห น, นกตกใจกลัวกับสภาพที่มันปรากฏทําให้ผมมันก็วิ่งหนีอย่างสุดชีวิตและสิ่งที่ผมวิ่งหนีคือวิ่งหนีเข้าวัดนะครับโดยไม่มีทางออกในฐานะที่เป็นเป็นคนที่รู้ตัวเองเป็นพุทธการบวชน่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็กลับไปบวช การบวชมันเหมือนกับทําอะไรที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาผมอยู่ในโลกของการสแสวงหาที่เป็นเรื่องของต้องการจะมีทรัพย์สินเงินทองต้องการจะมีรายได้แต่วันหนึ่งเมื่อผมไปบวชมันเหมือนกับเอาเราซึ่งต้ม อ, อยู่ในน้าเดือดเดือดเนี่ยโยนไปใส่น้ำแข็งที่แช่เย็นนะครับมันเกิดกระพริบตัวอ ย, อย่างทันทีทันใดผมรู้สึกยากมากในการบวชเพราะเพียงแค่ภาษาที่เคยใช้ได้โดยปกติเคยพูดมึงพูดกู กับเพื่อนๆกับคนรู้จักเนี่ยนะครับวันหนึ่งก็ไปบวชเนี่ยครับห้ามไม่้พูดคําพูดเหล่านี้กับเพื่อนที่เป็นพระภิกษุสามเณรด้วยกันต้องพูดคําว่าใต้เท้าคําว่าอะไรบัลลีพ ร, ระคุณเนี่ยนะครับตัวเองต้องใช้คำว่ากระผมขอโทษนะครับผมไม่กล้าเรียกตัวเองว่ากระผมเลยตอนแรกๆนี่รู้สึกมันเหมือนกับเขินอะไรก็ไม่ทราบแต่สภาพจิตของเราที่ถูกบีบตรงนี้ะครับช่วยค่อยๆทําให้ผมเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงและการบวชทั้งนั้นก็มีอานิสงส์มากเช่นได้ออกธุดง ออกปฏิบัติทำอะไรที่ค่อนข้างจะจะดีนะครับนั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับที่มันดูมันเล็กๆในปรากฏการณ์ทางสังคมแต่ในจิตใจผมเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันที่สองเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสงคือการที่ผมได้ไปอินเดียการไปอินเดียตอนท่ผมไปตอนต้นยังเป็นพระภิกษุอยู่นะครับและการไปอินเดียเนี่ยมันทําให้ผมเกิดความรู้สึกอะไรบางสีบางอย่างที่ที่คือตอนเป็นพระเนี่ยมันจะมีเพศภาวะที่เรียกว่าสมณะเพศนะครับ และมันมีสิ่งที่เรียกกันว่าความสํานึกว่าเป็นสมณะภาวะคือความรู้สึกสํานึกว่าตัวเองเป็นสมณะและตอนที่ผมไปเนี่ยนะครับด้วยความรู้สึกอะไรก็ไม่ทราบมันเหมือนกับมีธรรมชาติจัดสรรให้ผมต้องไปเจอสถานการณ์เช่นนี้เช่นนะครับเมื่อผมอไปอินเดียเนี่ยผมมีความรู้อยู่แล้วว่าพระพุทธศาสนาในอินเดียไม่ค่อยมีและพระพุทธศาสนาในเสื่อมสูญในพระพวกฮินดูมันกลืนพุทธผมยกตัวอย่างนี้นะครับ ตอนนี้ผมไปแสดงตนเป็นนักศึกษาและต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะจัดหอพักให้ผมเนี่ยผมต้องไปติ๊กว่านอนฮินดูแล้วก็มีคําว่าฮินดูกับนอนฮินดูเพื่อจะยืนยันว่าเราเป็นพุทธไม่ใช่ฮินดูและการไปติ๊กว่านอนฮินดูเนี่ยท้ายผมต้องไปอยู่ในหอพักซึ่งเป็นมุสลิมและหอพักที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับมันท้าทายสมณภาวะผมเป็นอย่างยิ่งเช่นตัวอย่างนะครับขอโทษตรงนี้แต่ไม่ได้พูดเพื่อให้เกิดความรู้สึกอย่างไง หัวเราเหมือนกับเป็นที่เช็ดมือค่ะว่าวพราะหวราวลนๆนี่มันรู้สึกว่าเอามือมาลูบหัวเราเล่นแล้วมันสนุกดีอะไรเงี้ยนะครับและความรู้สึกที่มันท้าทายผมก็คือคือตอนที่ผมไปอินเดียไปแล้วความรู้สึกว่าอินเดียเป็นพุทธภูมิไปในความหมายว่เราเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแต่ตอนนั้นมันท้าทายสมณะภาวะผมเป็นที่สุดนะว่ามันจะเสื่อมหรือมันจะเจริญหรือมันจะอยู่ได้ต่อไปหรือไม่เนี่ยนะครับแต่สุดท้ายผมก็ได้เรียนรู้ว่าความเป็นสมณะที่แท้นี่ควรจะอยู่ที่ไหนนะครับ แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มากนะครับในอินเดียเวลาช่วงเวลาประมาณ1ิปีที่ผมอยู่ในอินเดียแต่ผมไม่ได้อยู่เป็นพระภิกษุตลอดแต่สุดท้ายผมก็ต้องยอมสละสมณเพศเพื่อรักษาสมาณภาวะในจิตใจอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ให้ได้เนี่ยนะครับแล้วการอินเดียมันต่อมาสู่การที่ผมได้มาเป็นอาจารย์และการเป็นอาจารย์เป็นครูของผม ท, ที่นี้กลับมาที่อาจารย์หมอโกมาศก็คือผมพยายามเป็นที่สุดที่จะ เสนอให้นักศึกษาหรือใครก็ตามที่ที่สนใจด้านปรัชญาทราบว่าแท้จริงแล้วการเรียนรู้ทางปรัชญาเนี่ยนะครับมันมันมันมันคืออะไรนะครับและผมพยายามใช้ตัวผมเอง การใช้ตัวผมเองเป็นเป็นสื่อการสอนเนี่ยนะครับผมจึงไม่มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเลยเลยนะครับผมเป็นคนที่ไม่อยู่ในโลกของเทคโนโลยีเลยจนปัจจุบันก็รู้สึกเป็นบุคคลที่หน้ารังเกียจในโลกเทคโนโลยีเช่นทางนี้จะติดต่อผมก็ติดต่อไม่ได้เพราะผมไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรทั้งหมดทั้งสิน้นแต่สิ่งหนึ่งผมพยายามที่จะบอกนักศึกษาทุกคนว่าชีวิตของผมเนี่ยคือสื่อการเรียนท่านพ่อคุณก็จงใช้เถอดถ้าใชใ้เป็นประโยชน์ได้ และการที่ใช้ตัวเองเป็นสื่อการเรียนเนี่ยนะครับวันหนึ่งเมื่อผมต้องการจะยุติการเป็นครูผมจึงบอกว่าผมคิดว่าชีวิตของผมควรจะเป็นที่เรียนรู้ต่อไปมากกว่าที่มานั่งฟังผมพูด และผมก็พยายามจะบอกเขาว่าสิ่งที่ผมเชื่อมั่นเป็นที่สุดก็คือความเป็นครูของผมเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่สอนด้วยการพูดกระต่อไปนี้อยู่ที่ว่าต่อไปนี้ผมจะทําในสิ่งที่ถ้าพวกคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันดีก็ทําตามได้ก็คือผมยืนยันที่จะทําในสิ่งที่เรียกว่าการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องแสวงหาลาบยศสรเสริญหรือสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของภายนอกผมอยากจะยืนยันว่าความสุขที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่มันคืออะไร ผมยังจําภาพภาพหนึ่งเมื่อผมกลับไปที่เชียงใหม่และ ว, วันหนึ่งผมมีความจําเป็นที่ต้องกลับไปที่ภาค ว, วิชาเพราะมีเหตุจําเป็นในเรื่องระเบียบราชการเนี่ยนะครับแล้วมีนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเรียนระดับปริญญาโทในวิชาพระพุทธศาสนาเมื่อเขาเห็นผมเขาตกใจเขาไม่เคยคิดว่าผมจะได้กลับไปที่ภาคอีกนะครับแล้วเขาร้องไห้แล้วเขาก็ปลอดผมผบถามว่าเป็นอะไรเกิด อ, อะไรขึ้ น, นอยนี้นไม่ต้อง <c oughs> เขาก็ตอบด้วยเสียงสั่นๆว่า อาจารย์คือคำตอบของหนูเข้าไปอนั้นผมก็มีความสึกดีขึ้นมาตอนนั้นนิดหนึ่งว่าคําตอบของเขาไม่ต้องมากหรอกแสดงว่าสิ่งที่ผมทําไปนี้ไม่ผิดเท่านั้นเองก็จึงสามารถใช้คําว่าอาจารย์คือคําตอบของหนูได้สิ่งที่ผมพูดตรงนี้ไม่ใช่ต้องการจะบอกว่าตัวผมดีหรือไม่ดีนะครับไม่ใช่เลยครับผมต้องการเพียงแค่บอกว่าในโลกสังคมปัจจุบันเหมือนที่อาจารย์หมอประเวศพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าเรากําลังไปหลงเชื่อว่าความหมายของชีวิตที่ดี อยู่ที่ได้การครอบครองทรัพย์สินหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นธรรมชาติหรือมรดกของโลกนี้มาเป็นของเราแต่ผมเข้าใจว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยนะครับความหมายของมนุษย์ที่แท้เนี่ยคงไม่ได้อยู่ที่การครอบครองโลกนะครับแต่อยู่ที่ธรรมจิตของเราเนี่ยสามารถเข้าใจและเข้าถึงรู้แจ้งความเป็นไปของโลกแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างผ่องใสเบิกบานได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมได้ความรู้อันหนึ่งตอนที่ลงจากอินทนนท์ คือตอนลงจากอินทนนท์เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่สภาพร่างกายมันแย่เพราะว่าผมหว่าจะขึ้นถึงยอดอินทนนท์ได้มันฉุดแสนจะจนผมเกือบจะปลงใจเมื่อเหลือระยะเวก็จะทางประมาณสักกิโลกว่ากว่าก่อนจะถึงยอดยอดดอยสูงสุดของอินทนนท์เนี่ยนะครับเกือบจะปลงใจคือหมายความว่ามันหายใจไม่ออกความดันอะไรไม่ทราบมันรู้สึกหายใจไม่ออกพอหายใจไม่ออกผมมีความรู้สึกว่าผมกําลังจะขาดใจตายพอกําลังจะขาดเจตายผมเลย นั่งลงแล้วก็นอนไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งจิตว่าผมได้ใช้ชีวิตที่พ่อแม่และธรรมชาติให้มาพอสมควรแล้วและได้ใช้อย่างดีที่สุดท่านุูกถนอมอย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นขอพอเพียงแค่นี้ขอ จ, จ, จบชีวิตแต่แค่นี้แล้วก็นอนลงไปสักครู่หนึ่งมันฟื้นขึ้นมาอีกพอมันฟื้นขึ้นมาอีกก็เลยไม่ตายแล้วขณะที่ฟื้นขึ้นมาอีกมันเหมือนกับมีอะไรก็ไม่ทราบมีรถคันหนึ่งเป็นรถติถ๊กอัพทะเบียนชนบุรี ข, ขับมาขับมาแล้วก็หยุดรถแล้วก็ถามว่าจะไปกับผมไหม ตอนนั้นผมก็รู้สึกว่ากำลังจะขึ้นต่อหรือจะลงแล้วเพราะเหตุว่ามันไม่ไหวแล้วร่างกายนี้มันสุดท้ายพอก็ถามเม่อ้ผมถุกสะกดผมก็พยักหน้าและผมก็เลยขึ้นไปนั่งบนรถกับแล้วเขาก็พาผมจนไปถึงขึ้นยอดดอยพอไปถึงยอดดอยแล้วผมก็ขอบคุณเขาแล้วผมก็จริงๆที่ขึ้นยอดดอยนี้ไม่ต้องการจะพิชิตอะไรเลยต้องการเพียงแค่ทดสอบเท่านั้นเองว่าเราสามารถที่จะแบกภาระคือขันของเราเนี่ยนะครับขึ้นไปถึงดอยได้ไหมถ้าแบกไปได้ก็แสดงว่าเออเราน่าจะแบกต่อไปได้ แต่ตอนลงสิครับมันมีอะไรที่มหัศจรรย์เพราะตอนลงไม่ต้องแบกน้ําหนักอะไรมากร่างกายผมไม่จะแย่ตอนนั้นก็เองเลยนะครับและตอนลงผมพบว่าดอยอินทนนท์นี้งดงามเห็นอะไรตอนที่ผมขึ้นนี่ผมคิดแต่จะขึ้นในถึงคิดแต่จะขึ้นในถึงคิดแต่จะขึ้นในถึงจนไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ตอนลงผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่โห่น่าดูเยอะเลยนะครับเดินช้าๆนะครับเพียงแค่ปรพยุงไม่ให้มันมันวิ่งไปเร็วเกินกว่าที่กําหนดนะครับ และตอนที่เดินเช่นนั้นนะ่ยผมนึกได้ก็อ๋อชีวิตเราช่วงขาลงก็เป็นเช่นนี้ตอนขาขึ้นนี่ไม่ได้ดูความงดงามอะไรเลยมุ่งแต่ความสําเร็จมุ่งแต่สิ่งที่ตัวเองถูกบรรจุไว้ด้วยความอยากความต้องการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายลืมไปเลยว่าข้างข้างทางทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับมีสิ่งที่งดงามสารพัดเลยพอช่วงขาลงผมพบกับสิ่งเหล่านี้และผมรู้สึกว่ามันดีมากเช่นหยุดดู่ พิวทัศน์ที่มันแสนกว้างไกลเนี่ยนะครับและผมเลยถึงบางอ้ออ๋อชีวิตผมช่วงขาลงก็น่าจะเป็นเช่นนี้นะครับน่าจะเป็นชีวิตแห่งช่วงที่เป็นไปอย่างช้าๆแล้วก็ใช้จิตไข้ครวนสิ่งต่างๆซึ่งเป็นความงดงามที่มนุษย์นะครับพบภูมิที่แสนวิเศษที่จะสามารถพบความงดงามเหล่านี้ได้ถ้าเรามีจิตของเราที่เพ่งพินิษฐพิจารณาเพียงพอผมเข้าใจว่าช่วงขณะนั้นนะเป็นช่วงที่ผมรู้สึก เบิกบานมากเลยในการที่จะได้เดินลงแล้วก็ความรู้สึกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนั้นเริ่มปรากฏและปวดหัวมากเพราะมันมีลักษณะปวดปวดหัวมากแต่ก็เป็นอะไรที่ดีเพราะฉะนั้นคําตอบที่ไม่รู้จะเป็นคําตอบหรือเปล่าก็คืออยากจะเรียนอาจารย์ว่ามันมีเหตุปัจจัยไม่ได้หมายความว่ามีวันนี้เพราะมันเกิดมีวันนี้ขึ้นมาเลยแต่มันมีเมื่อวานมีวันก่อนมาตลอดนะครับแล้วเมื่อวานวันก่อนนั้นนะครับเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีวันนี้ของผมครับ ในแง่ความชื่นชมเนี่ยอาจารย์เนกวิท์ได้พูดไปแล้วนะคะดิฉันขอขอยืนยันว่าดิฉันก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันที่ชื่นชมท่านอาจารย์ประมวลเห็นใจมากแต่คนที่ดิฉันชื่นชมมากกว่าคือภรรยาของอาจารย์ประมวลเพราะว่าการเดินทางของอาจารย์เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้า ภรรยาของอาจารย์ไม่เป็นคนที่มีจิตใจที่อยากให้อาจารย์มีความสุขถึงแม้ว่าในชันแน่ใจว่าเธอไม่สุข 100% เน่ะเธอก็จะต้องห่วงใยกังวล น, นะคะแต่เธอสามารถที่จะทําให้อาจารย์พ้นจากความห่วงใยนั้นได้นะคะเพราะนั้นในชั้นชื่นชมภรรยาของอาจารย์มาก แล้วก็คิดว่าอาจารย์คงจะไม่มีลูกใช่ไหมคะมคะ<ม>เพราะว่าลูกนี่คือห่วงอันสลัดได้ยากนะะดังที่พระพุทธเจ้าพอพระราหุนประสูตเนี่ยก็บอกว่าห่วงเกิดขึ้นแล้วอาจารย์ก็ไม่มีห่วงอันเหนียวอันนี้นะคะจึงไปได้อย่างค่อนข้างจะปลอดโปรง่งนะคะ นี่อาจารย์ก็ไม่ได้พูดว่าขากลับเนี่ยอาจารย์กลับอย่างไร <c oughs> อาจารย์เดินกลับหรือว่าอาจารย์นั่งเครื่องบินจากสมุยมาอะไรเงี้ยนะค ะ, ะแต่เดี๋ยวต้องขอถามว่ากลับอย่างไรนะเดีฉันเป็นคนชอบสงสัยครอบครัวของอาจารย์คงจะต้องเป็นครอบครัวที่สุขสงบสุขสงบมาแต่เดิมคือไม่ได้ร้าวฉานไม่ได้ร้อนรุ่ม ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ดีที่คิดว่าอาจารย์ก็ไม่ต้องห่วใยญ่อะไรมากไม่ต้องชมภรรยามากเลยนะคะแล้วภรรยาของอาจารย์เก็บไบรสนียบัตรที่อาจารย์ส่งไว้ทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ฉันคิดว่ารบเสนียบัตรทั้งปึกเนี่ยทั้งหกสิใบเนี่ยนะคะน่าจะมีคุณค่าอย่างยิ่งคือจะเป็น ข้อความที่พิมพวบขึ้นในวันที่สิ้นสุดการเดินทางวันนั้นมันไม่ต้องมาเรียบเรียงอะไรใหม่ซึ่งจะเป็นการปรุงแต่งแต่จะเป็นข้อความเล่าเรื่องแท้แทอารมณ์แท้แ ท, ที่เกิดขึ้นในขณะ น, น, นั้นเห็นว่าแค่แค่พิมพ์ใบเสนอบัตร6สิบแผ่นนี้เนี่ยก็น่าสนใจ มากนะคะแล้วก็เสียดายที่อาจารย์ไม่ใช้เทคโนโลยีใดๆจริงไม่มีกล้องที่จะถ่ายสภาพของตนเองอให้เห็นว่า before and after เนี่ยเป็นยังไงนะฮะแต่ก็อย่างน้อยก็ปลอดจากเทคโนโลยีทั้งกวนนะคะที น, นี้ก็หนึ่งนอกจากจะถามว่ากลับ ถากลับกลับอย่างไรแล้วเนี่ยก็จะถามข้อที่สองคือพฤติกรรมของภรรย า, าหลังจากที่ ท, ท่านอาจารย์กลับไปแล้วเนี่ยเขาเล่าอะไรให้อาจารย์ฟังบ้าง <c oughs> านว่าตอนที่คุณไม่อยู่เนี่ยฉันเป็นยังไงอะไรยังไง น, นะฮ <c oughs> ะพอคิดถึงตัวเองว่าถ้า สามีเรากลับมาเนี่ยเราคงจะถามว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทำไมเขาจึงมั่นใจว่าอาจารย์เนี่ยจะได้กลับมาเพราะมันเป็นสั่งลาประดุจลาไม่ลาจากแล้วเนี่ยนะะแต่ทำไมภรรยาของคุณยึงมั่นใจว่าคุณต้องกลับมาอยน้ถามในแง่มุมของผู้หญิงนั้นนะคะทีนี้เดืนคิดว่าตัวละครที่ เกิดขึ้นในแต่ละวันที่อาจารย์ไปพบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุนัขที่เลื่อนขอทานแม่ค้าขายข้าวแกงคนขับรถบรรทุกพระสงฆ์คนขับรถกระบะงูมดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะไสเดือนเป็นแบบทดสอบทั้งสิ้นคือจะออกมาทดสอบคล้ายๆกับมาสอบอารมณ์มาสอบอารมณ์ของอาจารย์ตลอดเวลานะฮะซึ่ง ถ้าเราไปอย่างอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะไม่พบสิ่งเหล่านี้เลยแต่การก้าวเดินของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก้าวเดินอย่างธรรมชาติมากจึงได้เจอแบบทดสอบเหล่านี้ซึ่งโดยทั่วไปถ้าเราบินบรืถึงสมุยเราจะไม่พบอะไรเลยนะฮะแล้วเราก็ไม่ใช่มนุษย์ด้วยดิฉันจึงย้อนกลับว่าโออาจารย์นี่ บำเพ็ญบารมีประดุจจะออกมหาพิเนศกรมเนี่ยนะฮ ะ, ะ <S <S 1> <S 1> นั้นคิดไปอย่างนั้นเลยว่าเนี่ยเป็นเป็นการบำเพ็ญบารมีที่ที่ดีมากแล้วจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีศรัทธาถ้าไม่มีความเชื่อมั่นนะฮ ะ, ะ, ะก็ขออนุโมทนาค่ะนะฮะแล้วขอบพระคุณที่เอาความสุขบนดีอย่างนี้มาแบ่งปันให้พวกเราค่ะขอบพระคุณค่ะ ผมต้องบอกอาจารย์ซะก่อนว่าภรรยาผมที่น่ารักและที่ดีอย่างนี้เพราะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ครับก็จบครุษศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัยครับแล้วก็พูดถึงอาจารย์่เสมมตว่าเป็นอาจารย์ที่เขาเคารพมากรับชื่อก็จะจบนานแล้วแหละครับอาจารย์อาจารย์ผมไม่ได้มีความสนิทแต่ว่าก็จบเป็นครุษศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัยทีนี้ผมผมอยากจกลับเรียนอาจารย์นิดหนึ่งจริงๆผมก็รู้นะครับว่าเงื่อนไขที่ผม พูดกับภรรยากดดันเธอเพราะว่าผมบอกว่าผมจะไม่ทำอะไรที่ทำให้ภรรยาเป็นทุกข์เพราะถ้ามีอะไรที่ไม่สบายใจบอกไปเลยเพราะผมพูดตั้งแต่ตอนเราตกลงใจว่าจะแต่งงานเป็นสามีภรรยากันว่าเราจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตคู่ด้วยกันจะไม่มีใครไปถึงเป้าหมายถึงคามฝันฝั่งคนเดียวและทิ้งผู้อื่นไว้ข้างหลัง เพราเราเป็นคู่ของชีวิตถ้าจะถึงต้องถึงด้วยกันถ้าไม่ถึ ง, ถงก็ไม่ถึงด้วยกันเพราะฉะนั้นที่ผมคิดผมก็เล่าให้เธอฟังมาเป็นระยะระยะว่าผมมีความรู้สึกว่าชีวิตคู่ที่ดีควรจะเป็นยังไงผมก็เล่าเรื่องสุดเสริมเรื่องหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องแต่มันเป็นเหตุดนใจให้เราคุยกันแล้วก็ตกลงจะได้เร็วขึ้นคืนนอก่อนหน้าที่เก็บภรรยาผมจะอนุญาตเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> เรามีวิถีชีวิตที่ปกกันติอันหนึ่งคือเราจะกลับจากที่ทํางานที่มหาลัยเชียงใหม่กลับบ้าน และบ้างเราผ่านเส้นทางซึ่งเป็นศูนย์การค้าเราจะแวะทานอาหารที่ศูนย์อาหารของศูนย์การคา้ารวมถึงซื้อของด้วยทีนี้ก่อนจะมาถึงวันที่เราคิดอะไรกันตกลงได้เนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นประมาณทักสิบวันผมกับภรรยาไปไหว้พระที่ประเทศพมา่าเลยไม่ได้ไปทานอาหารที่ศูนย์อาหารที่นั่นเมื่อเรากลับมาสู่เชียงใหม่เป็นเวลาปกติแล้วเราก็ไปทานอาหารมื้อแรกวันแรกเลยเนี่ยและภรรยาผมพอทานอาหารอิ่มก็ซื้อสลัดผักจะกลับมาทานที่บ้าน ขณะที่ภรรยากํำเลือกตักเลือกผักใส่ถุงเนี่ยนะครับน้องผู้หญิงจึงเป็นแม่ค้าขายสลัดเนี่ยถามคําถามขึ้นมาทําให้ผมสะดุง้งเขาถามว่าพี่ทั้งสองไปไหนมาตั้งสิบกว่าวานันไม่มาทานอาหารที่นี้นเลยผมก็สะดุง้งเอา้าแล้วชีวิตเราเป็นเรื่องส่วนตัวเราเราจะไปเราจะมาทําไมแม่ค้าคนหนึ่งก็ต้องมารู้แล้วเราไม่เคยแจ้งใครทราบใช่ไหมผมเลยจึงถามเขาว่าอาะไรน้องรู้ได้ยังไงล่ะเ้เาตอบผมและภรรยาว่าน้องยืนดูพี่ทั้งสองทุกวัน ภาพของพี่ที่เดินจับมือกันเข้ามาและเดินจับมือกันออกไปเป็นภาพที่สวยงามมากน้องรอดูทุกวันเมื่อพี่ไม่มาน้องเลยนั่งนับอีวันมาแล้วที่พี่ไม่มาโอ้คําตอบของเขามันเป็นประกายที่สว่างขึ้นในใจผมและภรรยาเลยพอเราได้สลัดจ่ายเงินให้เขา20บาทเสร็จเนี่ยวันนั้นคิดว่าจะได้แบงค์ร้อไม่อยากทอนเลยจำไปคำพูดเขาดีเหลือเกินเนี่ยนะคือผมจับมือภรรยาและเดินมาออกถึงลานจอรถผมบอกว่านี่ไง สิ่งที่เรียกว่าความรักไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องคนสองคนถ้าความรักมันเป็นสิ่งที่ดีงามและงดงามมันเป็นเรื่องสาธารณะมันเป็นความงดงามของโลกของทั้งหมดทั้งสิน้นผมไม่ได้พูดอะไรมากไปวันนั้นแต่หลังจากนั้นเราก็มาคุยกันต่อว่าจริงๆแล้วการที่เราแสดงความรักออกซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นคู่สามีภรรยาเนี่ยนะครับถ้าเราทําอะไรที่มันเป็นสิ่งดีงามได้เนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่งดงามให้กับผู้อื่นได้ด้วย และจากจุดนั้นนะครับภรรยาผมเริ่มนะครับเริ่มที่จะคิดว่าเอออย่างนั้นความใฝ่ฝันของผมที่ต้องการที่จะใช้ชีวิตเพื่อสแสวงหาหรือเพื่อเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างและผมเชื่อว่าความรู้นี้จะไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของผมหรือของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นอะไรที่เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นความรู้ที่ผมได้ผมจึงไม่ได้คิดว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมแต่เป็นประสบการณ์ของนักศึกษาทุกๆคนที่เขามีความห่วงใยผมก่อนผมจะออกเดินทางมีนักศึกษาเข้ามากอดผม กอดเพืจะบอกว่าหนูจะไปกับอาจารย์แม้กระทั่งเพื่อนซึ่งเราสนิทกันและเป็นเพื่อนปกติเพื่อนร่วมมหาลัยเนี่ยนะครับบางคนเข้ามาถึงกับกอดเลยบอกว่าขอชื่นชมในในการตัดสินใจครั้งนี้อะไรเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งทายผมรู้ว่าการกระทําของผมไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมจะมาคิดว่านะครับนี้เป็นความสําเร็จของผมไม่ใช่เพ้านกับภรรยาหลังจากนั้นมาเราก็เลยเริ่มคุยกันแล้วเราเริ่มคิดว่าแล้วันสุดท้ายที่ภรรยาบอกผมก็คือบอกว่ากํากหนดเลิกดีได้แล้ว ผมเลยล้อเล่นว่าเอาไปหาพระมาหรืยังไงก็อบอกไม่หรอกก็ถ้าจะเกิดใหม่ก็เกิดวันเดิมสิแล้วก็เลยจึงเลือกเกิดวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2548ให้ผมแล้วเราก็เลยมีความ ค, คิดว่านั่นคือวันเริ่มต้นและผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญคําถามของอาจารย์ที่บอกว่าอยู่ข้างหลังเป็นยังไงผมรู้นะครับว่าสังคมส่วนใหญ่จะมีคําถามคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวนี้ หรือภาพที่แสดงออกมาว่าเป็นสามีภรรยาที่รักใคร่กันดีเละเกินนี้เป็นเพียงแค่ภาพแสดงไม่เช่นนั้นแล้วสามีคงไม่ออกไปนอกบ้านเดินไปแบบเหมือนกับประชดชีวิตมันต้องมีอะไรและผมก็ก็รู้ว่าภรรยาต้องเผชิญกับคําถามนี้อีกมากมายนะครับกับหลายๆคนซึ่งไม่ได้สนิทกันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อผมกลับมาเนี่ยนะครับ สิ่งที่ผมพยายามทําอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อจะยืนยันว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะตอบคําถามว่าทําไมจริงกลับอะไรเงี้ยนะครับคือช่วงขณะที่ผมเดินไปประมาณได้สัก2 ส, สัปดาห์น้าสาวคือผมไม่มีพ่อและแม่แล้วพ่อคุณพ่อและแม่คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วนะครับจึงทําได้ด้วยถ้ายังมีคุณพ่อคุณแม่ก็ยังทําไม่ได้เดีวยวกันตรงใจ น, นี้น้าสาวซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กๆ เ, เนี่ยโทรศัพท์มาที่บ้านที่เชียงใหม่ แล้วก็พยายามจะคุยกับผมตอนนั้นเราตกลงกันแล้วว่าเราจะไม่แจ้งข่าว ก, การกระทำของผมนี้ให้ญาติทางบ้านทราบแม่งั้นเขจะกังวลและเป็นห่วงเพราะเขาไม่สามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นได้เราสองคนทัะหนองจริงรู้ว่าชีวิตนี้เราสลัดได้ถ้าผมตายได้ในหว่ังทางภรรยาก็คงจะมีความทุกข์แน่นอนแต่ก็คงเป็นความภูมิใจที่ว่าเราได้ทดลองทำํทำตามที่เราอยากทําไม่ใช่เป็นไปอุบัติเหตุตายแต่เป็นความปรารถนาเช่นนั้น พอน้าทราบว่าผมไม่อยู่บ้านภรรยาพยายามอธิบายว่าไม่ได้มีปัญหาทางชีวิตครอบครัวไม่ได้มีอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแต่น้าไม่เชื่อเสียแล้วครับน้าไม่เชื่อเสียแล้วน้าไม่เชื่อเสียแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อผมกลับไปถึงบ้านเนี่ยนะครับภาพแรกที่ผมเจอก็คือนะ้ามีคำถามมากมายหลายประการและผมเพิ่งรู้นั่นเองว่านะ้าอายุ80กว่าไปแล้วเนี่ยนะมีความทรงจําที่แม่นยํามาก นะบอกเลยนะครับว่านะจําคําพูดที่ผมพูดในวันแต่งงานได้ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่านับจากวันนี้ไปชีวิตเราเป็นชีวิตคู่เป้าหมายของเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะไม่แยกกันเพื่อจะไปถึงเป้าหมายก่อนหลังใครก่อนใครถึงไม่ถึงถ้าเราจะดีเราจะดีด้วยกันถ้าเราจะชั่วเราก็ชั่วด้วยกันถ้าเราจะสุขเราก็สุขด้วยกันถ้าเราจะทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันเราจะไม่มีความหมายว่าคนหนึ่งสุขอีกคนหนึ่งทุกข์และคําพูดเนี้ยถูกนะนํากลับมาย้อนรอยผมว่า ที่พูดไว้หรือจะไม่เป็นจริงเสีแล้วผมต้องอธิบายนะเข้าใจว่าสิทธิที่พูดไว้ยังเป็นจริงทุกประการที่ทําไปทั้งหมดทั้งสิ้นก็เพื่อยืนยันสิ่งเหล่านี้ร้านคาพูดที่นะ้าพูดกับผมหลังจากนั้นก็คือเมื่อคุยนจนเข้าใจแล้วก็บอกว่าช่วงตั้งแต่โทรศัพท์ไปจนกระทั่งถึงวันนี้นี่ผ่านมาเดือนกว่าเนี่ยน้านอนไม่รับกินข้าวไม่ได้เลยรีบปรับเถอะกลับไปหาปรรยา ที่เขาคงจะเป็นทุกข์และเป็นห่วงมากกว่าที่นาเป็นห่วงนี้ไม่รู้สักกี่ร้อยเท่านี่เป็นภาษาของนาผมนะครับนาผมรีบกูลีกูจอไปจัดการเรื่องซื้อตั๋วรถทัวให้ผมกลับเลยไม่ใช่ไล่แกบอกว่าอย่างนั้นแต่แกรู้ว่าภรรยาที่บ้านเป็นห่วงอยากจะอยากจะพบผมเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นผมจึงต้องกลับโดยรถทัวและการกลับโดยรถทัวเนี่ยจึงทางให้ผมรู้ว่าชีวิตที่เร็วและชีวิตที่ช้าเนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันมา ก, ม า, กมายมหาศาล ช่วงที่ผมนั่งรถทัวร์ผมพยายามที่จะระลึกนึกถึงเส้นทางที่เคยเดินผ่านเส้นทางที่เคยประสบความอ่อนล้าอ่อนระหยแต่รถทัวร์มันเร็วจนผมไม่สามารถที่จะสล็อแม้กระทั่งผมนั่งรถทัวร์มาเชียงใหม่ผมพยายามจะเพ่งมองจุดที่ผมเคยยืนที่สีแยกสล็กบาทที่จุดที่ผมยืนประจนกับสิ่งที่ได้มันมามาประชิญเนี่ยนะครับรถทัวร์วิ่งบูบเดียวผมมองไม่ทันเลยครับและผมก็เลยมีความรู้สึกว่าที่เราไม่สามารถ อย่างเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างใน่จิตใจเราได้นี่นะครับเป็นเพราะเรามีชีวิตที่เร็วและรีบจนเกินไปผมนึกถึงภาพตอนที่ที่ที่เขาเอาภาพที่มีพวกแก๊งขโมยทองฉกทองในร้านทองนะครับคนขายทองไม่รู้เลยว่าทองหายจนกระทั่งตอนเย็นไปตรวจจึงรู้ว่าทองหายและมารู้ว่าใครขโมยต่เมื่อเอาภาพที่ถ่ายไว้มาสโลพอสโลจึงรู้เลยว่าผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาทาท่าดูทอง แล้วทําเป็นชอบเส้นน้นเลือกเส้นนั้นจุดท้ายพอแม่คาบเหลือก็เลยยิงเอาทองเก็บมันมารู้ว่าถูกขโมยก็ต่อเมื่อสโลนะครับและผมเข้าใจว่าชีวิตผมเนี่ยนะครับเมื่อรู้ว่าอะไรผิดอะไรชู้อะไรดีอะไรงามเมื่อสโลเมื่อสโลและพอสโลแล้วมันจึงทําให้รู้ว่าอ๋ออกุศลธรรมที่มันวอกงามอยู่ในใจเราเนี่ยมันวอกงามขึ้นมาได้อย่างไรและเราจะละเราจะทํำยังไงถ้าเราต้องการให้กุศลธรรมมันเจริญเราจะทํำยังไงและผมพบว่า สิ่งที่มันเป็นทฤษฎีที่ผมเคยอ่านโดยใช้ความคิดเนี่ยนะครับใช้เหตุผลเนี่ยมันยาบมากเลยยาบจนไม่สามารถจะจับภาพเหล่านี้ได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วคิดที่มีอะไรที่มันเป็นลักษณะ slow เนี่ยนะครับจึงทําให้เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปได้อย่าง่องแท้บางช่วงขณะที่ผมนั่งคิดนะว่าผมเดินทางถึงใล้เป้าหมายแล้วหรือ ย, อยังเช่นเป้าหมายที่บอกผมจะไม่เกลียดไม่เกลียดคนอื่นเนี่ยนะครับบางครั้งคิดไปคิดมาผมถึงกับน้ําตาไหลได้วยความรู้สึกโศกสลด ที่ทำไมผมเกลียดคนนั้นมานานนานเลเกินน่ะนานมากเลยนะครับกับคนบางคนที่เราเกลียดมาเนี่ยทำไมเราเก็บความเกลียดนี้ไปในใจเรานานเกินไปที่ในใจเราน่าจะเอาสิ่งดีๆ ง, ง, งามๆไปใส่ไว้ทำไมเราเอาความชั่วชาลนี้มาเก็บไปในใจเรานานมาก <c oughs> ผมรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าวันนั้นผมกลับไปหาคนคนนั้นผมจะกลับไปสารภาพเพราะว่าผม คุณเป็นคนน่ารักที่สุดเลยคุณเป็นคนดีมากเลยเพราะคุณนี่แหละที่ขาให้ผมทำอย่างนี้ได้นี่พูดถึงเพื่อนโรงงานครับแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่ที่ผมอยากจะอยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่ที่ไม่รู้จะพูดยังไงเพ ร, ราผมตอบคําถามของอาจารย์แล้วนะครับแต่ขอให้อาจารย์ภูมิใจด้วยครับว่าอาจารย์เป็นครูที่สอนลูกศิษย์ดีมากทำํำไมผมมีภรรยาที่ดีครับ แต่หั้าก็ม่ค่อยกมากปล่อยด้วยแต่โชคดีที่วันนี้ได้มานะแล้วก็ได้ฟังอาจารย์พุนหง์ถึงแมจะไม่ได้ฟังตับต้นกระตามเนี่ยก็รู้เกิเนเชคคโชคดีจริงๆปกติผมนั่งฟังที่มีดีก็ไม่เคยจบนะวันนี้จบได้ทังหน้ากว่าเพรถ้าไม่จบจะเสียดายมากเลยแต่ต้องขออนุญาตตรงนี้ซะกอ่อนในนายอาจารย์ขาบอกว่าความรู้ทั้งหมดเป็นศาสรเป็นสารน ะ, นะ ก็จงพระเจ้าบอกวิสาคารู้ทั้งหมสัประเซนต์ร้ายในโลกเป็นสาธาโรโพคีไม่ต้องจบิบัตรได้เนะี่ยเป็นที่มาของศาสตร์วิยธรรม6กซึ่งท่งใหสังคมดึงดูดทั้งหลายมนะาได้แล้ึกถึงกันผมคงจะต้องลึกถึงอาจารย์ประมวลบนานแน่แจะฟันี้แล้วนะฮะอย่างน้อยระหว่างที่นา่งตรงท่าอาจารย์เื่นตาตตามประสานกันปล่อยมากนะอาจารย์น้ำตาคลอดอรผมอตาม หนึ่งก็คือว่าในอาจารย์บอกแล้วความรู้กฎจการทั้งหมดนี้เป็นเรื่องสาธาระที่ศาสตาจารย์ตั้งใจเขียนห้ือเผมต้องขอร้องคนเขียนรวมทั้งปฏิบัติทั้งหมดด้วยนะะเพราะว่าเห็นลูกชาติภาษาอาจารย์ดีมากเลยผมไม่ใครสงสัยเลยอาจารย์ถ่ายทอดได้เยี่ยมเยี่ยมมาก ถ้าพุณภาษาเขียนแน่นอนจะไม่สามารถสัมผัส ต, ตาอย่างนี้ได้แต่นคงคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากเพรนี้คือของจริงของจริงเราจารยนัสอธรรมะท่านอาจารย์หรือประเย็นเก้าแต่ออกมาก็เป็นเป็ น, ป น, ปนแค่แค่ข้อมูลหรือความรู้แต่ที่อาจารย์ลงามาือทดลองด้วยตัวเองเหมือนพระเจ้าครับพรเจ้าก็อสเตรดเพเงิน แล้วการที่อาจารย์ในชีวิตป๋เป็น spiritual journey นี่เป็น spiritual journey ที่เข้าไปหาตัวเองคืออาจารย์จะเดินทางไกลามากจากเชียงใหม่ไปสไปมุยก็ตามเนี่ยแต่คือ้นี่คือการเดินทางเข้าไปในตัวเองจริงจริงนนะ Inward จริงจริง แ, แล้วก็นาะบีก็ไม่ว่าตั้งแต่เนี่ยเจ้าคารทีนะเมาเซตุงเชกวาร่าบนะุคคลที่ค้นพบตัวเอง คนผู้สูงเชือมุ้งชีวิตจริงๆนั้นเนี่ยก็รู้แล้วแต่เดินทางการเดินทางนี้เนี่ยมันตรงมาที่อาจารย์บรบเวศพูดคือเราเกิดมาปัจจุบันนั้นเนี่ยเราถูกล้อมกรอบความคิดเราถูกตีกรอบเยอะมากเลยตัวอย่างกรอบที่ชาติพิเศนรู้สึต ก, กตื่นปรากฏเมื่อสิบนาทีนี้คือคุณนาของอาจารย์เองคุณน้นาอาจารย์นี่มีกรอบความคิดประธาามีปรยาทิ่รักกันขนานี้แล้วแยกกันทําเดินคนออกไปจาก บ, บ้านนี้ ต้งปลายต้องมีอะไรกันนี่คือวิธีคิดของของเราที่ถูกสังคมโยนขับตีกรอบให้เราคิดให้การเดินทางออกนอกกรอบเอาไปจปับสิ่งที่เราจำเจ น, นะครับมีเวลาที่จะย่อยที่จะไดเจสที่อาจารย์สมุนพูดนะครับว่าถ้าขี่เจแล้วก็ไม่เห็นแล้วอาจารย์เขาพูดเห็นมานั่งทัวก็ไม่เห็นมันต้องช้าและเดินแล้วมนเวลาให้กับตัวมากมาก ก็แ่ๆก็เดินจงกรมตลอดที่ยะทางเงินพันกิโลเมตรจังเลยผมเพลิน ม, มืประสบการณ์เล็กๆน้อยๆผมมี้ว่าว่าเคยพยายามอันนั้นก็เป็นเชื่อเป็นแค่ของการโปรโมชั่นการตลาดของสี่ลาดเพื่อทำนั้นนี่การนักเรียนแทบวิ่งจากเชียงใหม่มากรุงเทพเพื่อจะโปรโมทเรื่องวิ่งเลยการกงการแล้วก็เลือกโปรโมทเรื่องกรุงเทพเราโยแยะโปรโมทเรื่องวิ่งลอยฟ้าเชื้อไม่กเกี่ยวลงนานหปี แต่การที่วิ่งลงม า, ากเาแล้วตอนหลังมึงก็วิ่งทางไกลเยะสมัยยังฟิต ม, มากๆวิ่งกรุงเทศไปจันทบุรีวิ่งกรุงเทพไปอุบลนี่เราทำเงินทัพยาทิตดวันอาทิตย์นะฮะวิ่งันเท้าเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ชาพบเลยครัอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่ากายเนี่ยจะทระมานนะครับแุยย่ใจมัอิสระจริงจริมันทั้งหมดมันอยู่กับขาเราสองข้างอยู่กับตัวเองจริงแตลอดทางเนี่ยอย่างที่อาจารย์ที่มใช้ศัพพือว่า ธรรมจะจัดสรรให้มีนิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นเราได้เรียนรู้สัจธรรมความจริงแท้ชีวิตจนระยะหลังพวกยับปีทั้งหลายในมิจาก็ไปปรีด้วยเวกไอ o ซ i t ชันมีดิ t ทชันนึงทงนั้เก็้นพบอีกมากมายเ่ลบตัวเองในธรรมชาตินะครับยังการเดินทางออกคือออกนอกกรอบความคิดเดิมแล้วเนี่ยมีสัญลักษณ์ที่อาจารย์พบเยอะแยะมาออจากสุนัขขีเลี้ย ที่ธรรมจารวิสุเขาโอ้เรามันนะที่มีชีวิอยู่นวันนี้ให้ความอุ่นจะสัตนักได้งูเขาก็มีสยลากที่แจกก้งไปเกิียดกลัว น, นักหนหาไม่ใช่แต่จต้องไม่เกลียดและมีเมตตาหรือแม้แต่ภยาที่ชอบไปทางไกลๆนี่นะทั้งหมดที่เสัญลักษณ์ที่ทำให้เรา expand ได้ขยายกรอบความคิดออกมาทำให้เห็นทั้งตัวตนเราเองและทั้งถึงสรรพสินรอบตัวเองมีชัดเจนขึ้น ก็สุดท้ายก็คือเห็นเซอร์เคิลไลฟ์อะไรก็คือวงจรชีวิตหนึ่งคือนะคสิ่งที่ว่าทรัพสินทั้งหลายนี่มันก็แค่นี้แหละ<ม>ต้องต้องขอบคุณอาจารย์ครับแล้วก็อยากให้อาจารย์ไรีเขียนยเร็วแล้วขออนุญาตตรงนี้เฉลยนะครับว่ากรงขออนุญาตเราคงไศ่อาจารย์ไปออกอากาศให้คนได้ฟังด้วยผมราะมีรายการวิทยุคนฟังชอบแบบนี้มากแต่พอเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีแต ทฤษฎีมีแต่ความคิดมีแต่พระราชดำริแล้วคนมีแปลงมาเป็นโมเมนต์ของจริงนะอาจารย์นี่เอ็กซ์เพรยเมนต์้ตัวเองมันก็มหาบุรุษหลายคนเียเอ็กซ์เพย์เมนต์ตัวเองเนี่ยและประสบการณ์จริงเรียนรู้จริงเนี่ยเป็นสิ่งที่จะคนนีจะฟังและเข้าใจง่ายและประทับใจและไปไปสุดตัวอย่างที่อาจารย์พูดทังจดั้อนนะฮะเป็นตัวอย่างที่ผมรับรองว่าคนฟังยุ่ผมเนี่ยนะฮะเขาจะาอ๋อทันที อนี่เองนี่เองคือชีวิต ท, ที่พอเพียงจริงๆนี่เองที่ชีวิตที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่าอาจารย์่ทีาทม่ที่าี่ท้่ทน่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ทอที่ทีิที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ท่ที่ท่าคนที่ที่ที่ที่ที่ที้ที่ทั่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ทเ่ที่ที่าี่ที่ที่ที่ที่ทีบที่ทีที่ท่ที่ที่ท่ท่ที่ที่ที่ี่ที่ที่ที่าาาที่ยยททที่ที่ที่ทม่ทีมที่ที่ที่ที่ที่ที่ี่ที่ี่ที่ แต่ ค, คิดหรือมีองการที่จะชวนภรรยาออกไปเที่แบบนี้ไหมัไม่ไม่ได้คิดครับเพราะว่าแต่ว่าช่วงที่ภรรยาต้องการจะไปเที่ยวเนี่ยผมก็ขับรถย้อนรอยกลับไปแล้วก็ไปพบปะคือผมมีความรู้สึกอันหนึ่งว่าตอนนี้ผมผ่านไปเนี่ยนะครับ <c oughs> มผมพบว่า <c oughs> ผมพยายามจะกำจัดความกลัวจากใจผม แต่เหมือนกับเอาความกลัวไปใส่ไว้ในใจเขาขในคเพราะเขาเกิดความวิตกกังวลว่าคนแก่แกคนหนึ่งที่เดินผ่านเข้ามาเนี่ยเป็นใครน่ากลัวแล้วก็เป็นอันตรายหรือเปล่าคือในสังคมไทยเนี่ยเนื้อในมีเมตตาธรรมนะครับแต่ความหวาดระแวงกังวลทําให้เขาไม่กล้าแสดงออกทําให้เขารู้สึกวันวิตกกังวลเพรา ะ, ะนั้นผมเลยบอกว่าอย่างนี้ไหมเราขับรถไปถือโอกาสขอบคุณเขาด้วยเฉพาะจุดที่ขับรถได้ก็บางจุดขับไปไม่ได้มันเป็นถนนที่แย่แล้วก็บางที่ก็ไม่มีถนน เรากับพบว่าที่พอเรากลับไปแล้วผมมีภรรยาไปด้วยเนี่ยนะครับบางคนสารภาพเลยนะครับว่าวันนั้นกลัวมากที่ผมเดินผ่านมาแต่ก็สงสารเห็นเป็นคนแก่แล้วก็มีแม่ค้าขายกล้วยปิ้งให้กล้วยปิ้งผมสามลูกนะครับแล้วก็ให้เหมือนกับว่าเอากล้วยปิ้งแล้วก็ไปเถอะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้น้ำหนึ่งขวดวันที่ผมกลับไปแล้วผมบอกว่าพี่รู้ไหม ลูกปิ้งสามลูกนั้นเนะี่ยทให้ผมมีชีวิตกลับมาหาพี่ได้อีกวันนั้นผมไม่ได้กินอะไรเลยผมกินลูกปิ้งของพี่1ลูกวันนั้นและตอนเย็นผมก็ไปกินอีกลูกตอนเช้าผมก็ไปกินอีกลูกครบสามลูกได้สามมื้อประมาณนั้นเลยนะครับแ่บอกว่าตอนนั้นถ้าไม่กลัวไม่อะไรก็จริน่าจะถามอะไรมากกว่านี้จะได้ข้าวก็มีอะไรก็มีแต่ทาไมไม่ถามแลแ้วแกบอกว่าเพื่อนบ้านยังมาตาหนิอีกว่า เป็นคนแปลกหน้าเป็นอาจจะหนีมาอะไรมาไปช่วยเขาประมาณเดี๋ยวมากับตำรวจอะไรก็จะมาหาว่าช่วยคนผิดคนชั่วอะไรเงี้ยนะครับแต่แกก็บอกว่าแกก็บอกว่าเขาเ ข, า, ขาหน้าสงสารอะไรเงี้ยนะครับเมื่อผมกลับไปผมจึงพบว่าการได้เดินทางกลับเขาไปพบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับทําให้เขาดีขึ้นและรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทาไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพบก็คือภรรยาผมทุกวันที่ที่เราขับรถไปแล้วผมพาเขาไปดูเขาบอกว่าเพียงแค่ก็นั่งบนรถ มีแอร์เย็นสบายยังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยยุ่งยากตรมานเขาบอกว่าสมแล้วที่ผมมาคนเดียวแล้วให้เขารับผลอยู่ที่บ้านแต่แประเด็นของไม่ได้หมายความถึงว่าเธอไม่ต้องการจริญลำบากนะครับแต่ผมเข้าใจว่าเธอเห็นถึงความหมายที่ยิ่งใหญ่สําคัญเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราคุยอะไรกันเนี่ยนะครับผมไม่เคยบอกว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องของของผมนะครับจะบอกเป็นเรื่องของเราและเราก็พยายามจะแชร์อารมณ์ความรู้สึกด้วยกัน หรือแม้กระทั่งช่วงที่ผมเดินไปถึงอำเภอปะทิวจังหวัดหลังสวนเออจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับผมได้เพลินผ่านร้านอาหารร้านหนึ่งอยู่ริมทะเลแล้วเขาเชิญผมหยุดพักแล้วเขาจะทําอาหารให้ผม <S 2> <S 2> ผมเขาบอกว่าผมทานอาหารมาแล้ววันนี้และไม่รู้สึกหิวแล้วและมือเดียวก็เพียงพอสําหรับผมแล้วเขาก็พยายามจะเสนอสุดท้ายก็ทําทำโจงวันติมให้ผมนะครับแล้วก็นั่งคุย <S <S เขาเป็นคนสนใจพอเขาเป็นคนสนใจเลยจึงทําให้ ให้ผมได้เล่าอะไรเขาฟังว่าผมเดินทําไมเพื่ออะไรเนี่ยนะครับและผมจําได้ว่าว่าผมกลับมาถึงบ้านเนี่ยเขาก็พบว่าเขาได้โทรศัพท์มาหาภรรยาผมแล้วเขาก็เล่าว่าพบผมและคําพูดคําพูดหนึ่งที่เขายืนยันกับภรรยาผมก็คือเขาบอกว่าเขาพบผู้ชายคือผมเนี่ยนะครับที่แม้ร่างกายจะทุดโทรมแต่เขาพบว่าผู้ชายคนนี้มีความสุขมากก็ไม่เคยเห็นใครหน้าตาผ่องใสและมีความสุขมากขนาดนี้แล้วพอผมกลับไปพบเขาอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับ ทั้งภรรยาผมและทั้งคุณคนนี้นะครับชื่อคุณอุทิตนะครับเขาก็คุยกันสิ่งที่เขาถามก็ตามภาษาผู้หญิงมาที่อาจารย์ถามเนี่ยนะครับและผมเลยได้ทราบว่าภรรยาผมก็เป็นห่วงมากอะไรเงี้ยนะครับตอนที่คุณอุทิตโทรไปเพราะข้อความที่เขาเขียนว่าเป็นผู้ชายที่มีความสุขมากนะ <c oughs> เนี่ยเขาจึงเขียนไว้เลยเพื่จะยืนยันว่าเออเพื่อความสบายใจอะไรเงี้ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณอุทิศกับภรรยาผมคุยและผมได้ฟังด้วยก็คือมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นห่วง คุณอุทิศเป็นห่วงถึงเป็นห่วงผมด้วยนะครับว่าผู้ชายแก่ๆคนนี้แกบอกว่าคืนนั้นเวลาแกนอนหลับไปแล้วเนี่ยแกไม่ก็ตื่นขึ้นมาแ ก, กาตื่นขึ้นมาต4สี่เลยแกบอก <oui. S 1> เพื่อทําอาหารเพราะว่าตอนที่ผมไปเจอแกเป็นเวลาเย็นประมาณสัก4ี่โมงผมก็เลยถามว่าผมจะเดินไปได้อีกวันนี้ประมาณสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงข้างหน้านี้มีวัดไหมแกบอกมีวัดแล้วแกบอกมีวัดวัดหนึ่งชื่อวัดบ่ออีกไปที่นั้นเจอพักได้อะไรเงี้ยนะครับผมบอกอผมจะเดินไปประมาณสักชั่วโมงหนึงหรือ2ชั่วโมงแล้วก็พักที่วัดนีง ก็ตื่นที่สี่แล้วก็ทําอาหารนะครับเพื่อจะเอาไปให้ผมที่วัดเพราะวันนั้นที่ผ่านมาแกไม่ได้อาหารผมแต่ปรากฏว่าไปถึงมีผมออกจากวัดไปแล้วนะครับเมอออกจากวัดไปแล้วเนี่ยแกก็เลยจึงเอาอาหารนั้นไปให้พ่อของสามีอพอเอาให้พ่อของสามีแล้วก็มีความรู้สึกมือนกับว่าถึงแม่จะไม่ได้อาหารผมก็พ่ อ, อสามีก็ก็เป็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งทีงได้อาหารความรู้สึกของคุณอุทิศที่คุยกับภรรยาผมเลยผมเข้าใจครับว่ามันเป็นอะไรที่ทท ที่เป็นความรู้สึกเป็นห่วงแต่ได้ทำกลางความเป็นห่วงนั้นนะก็ได้ทําให้เกิดการเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างในการมีชีวิตอยู่ผมพูดกับภรรยาผมเสมอว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับความเป็นห่วงที่กลัวจะพัดพราดจากกานันนี่มันเป็นสิ่งปกติเราก็ต้องตายจากกันวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้ใครจะตายก่อนไม่รู้ว่าใครจะตายหลังที่สําคัญคือช่วงขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องใช้ความเป็นห่วงนี้ให้มันมีพลังพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกสูญเสียความ ผ่องใสเบิกบานในการมีชีวิตอยู่ให้มีอย่าให้มีความบาดระแวงอย่าให้มีความกังวลอย่าให้มีอะไรมาเป็นตัวแท้เพราะชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยแม้จะนานหรือช้าไม่สําคัญแต่สำคัญว่าทุกขณะที่เรามีชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยเราควรจะเป็นชีวิตที่ผ่องใสเบิกบานให้แก่กันและกันและผมคิดว่าผมจะพยายามทำให้เต็มที่ผมเข้าใว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ที่ที่ที่ไม่รู้จักอธิบายยังไงดีแต่ก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะยืนยันสิ่งที่ เป็นผลจากการเรียนรู้ครั้งนี้ครับเอ่อก็ด้วยความเกรกใจเรื่องเวลานะครับผมผ ม, มคิดว่าวันนี้เราได้อะไรดีๆจากจาการประมวลมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นภาพชัดขึ้นมากในใจผมตั้งแตที่มีทุนเดิมที่จะคิดจะทำอยู่แล้วคือได้คิดว่าในเมืองไทยและในโลกนี้ยังมีสิ่งที่ดีงามอีกมากมาก ที่เราละเลยไม่ได้สัมผัสอาจารย์ได้ให้สติแก่เราว่าถ้าตั้งหลักให้ดีใจเย็นเย็นมองด้วยถึงทุกอย่างด้วยความสุขุมรอบคอบประยนปัจจุบัขนขณะเราจะพบสิ่งที่ดีงามที่จะทําให้มีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปอยู่ต่อไปแล้วทำอะไรดีๆตามไปอีกมากมายนะเพราะว่าฟังข่าวมากๆดูทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ดู CNN เออแต่ b ีบซน่มันแย่หมดนะตึง้งเป็นมายาชนิดหนึ่งฉะนั้นประสบการณ์ที่จรมันถ่ายทอดเราฟังเนี่ยทำให้เกิดความรู้ความคิดและเกิดสติขึ้นว่าสิ่งที่ดีๆยังมีอีกมากเลยถ้าเราสัมผัสได้ก็จะเป็นการดีผมอยากเรียนถามอาจารย์ตอบทั้นๆก็ได้นะฮะหรือจะตอบไม่ตอบก็แล้วแต่เราด้วยดูโลกไมโครลึกๆในทางจิตมากแล้ว อยากเดีนถามอาจารย์ในฐานะที่รู้จักอินเดียพอสมควรแ่้วอินเดียขนาดนี้ผมคิดว่าสุดโกงสองทางสุดตรงทางเศษจริงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขึ้นเป็นมหาอำนาจเขาได้ระดับหนึ่งเหอนกันแล้วมีคนที่ตามเป็นร้อยๆล้านเลยหลายร้อยล้านอีกสุดตรงหนึ่งคือเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณทางการชําระจิตใจให้หมดจดเน่ยยังมีอยู่อาจารย์มองอินเดียยังไงครับเพผมดูว่าโอ้โหมันไปสุดตรงอย่างเนี้ บ้านเมืองที่มีอารยธรรมมีพื้นฐานอย่างอินเดียไม่น่าจะเป็นสุดตรงได้อย่างนี้แต่ก็เป็นอย่างนี้นะอาจารย์มองวิเ ค, าคราะห์เป็นไงแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงลังเนี่ยคือผมกลับไปอินเดียทุกครั้งมผมรู้สึกคือผมเหมือนกับเป็นคนหนึ่งคือผมรู้สึกตัวผมเป็นอินเดียตอนกเมื่อผมรู้สึกรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกสงสารเสียใจเนี่ยนะครับมากทุกครั้งคือคนอินเดียเนี่ยนะครับมีคนจน ที่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองจะได้กินอะไรในมื้อต่อไปเนี่ยประมาณ300กว่าล้านคนนะครับนึกถึงภาพตัวคนไทย 60, 60ประกว่าล้านคนนั่นเองคนเหล่านี้นะครับถ้าท่านอาจารย์เคยไปอินเดียจะเห็นเช่นกรละกัต้าเวลาประมาณสัก6โมงถึง7โมงเช้าเนี่ยเทศบาลนครกาละกัต้าจะเปิดน้ำสาธารณะมาให้เขาอาบได้หนึ่งครั้ง เขาอาบน้ํำชนิดที่เรียกอาหหว่าไปจ่อกับสายน้ำนี่ชนกันประมาณเหมือนกับนกเวลามันไปจิกินอะไรเนี่ยนะครับหรือถ้าเราไปที่บอมเบย์หรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับริมถนนจะมีคนนอนกันอยู่เต็มไปหมดผมไปคือผมจะไปอินเดียประมาณถ้าเป็นไปได้คือสักปีละครั้งเพื่อจะไปยืนยันว่านี่คือชีวิตมนุษย์และชีวิตมนุษย์เหล่านี้นะครับมันช่วยชําระจิตใจผมให้ให้ดีงามขึ้นมาได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีอินเดียซึ่งเต็มไปด้วยความ ถ้เยอถ้ายานที่อยากจะเป็นมาอำนาจโลกอยากจะเป็นประเทศมั่งคั่งที่ร่ำรวยเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผสมประสานกันอยู่ในอินเดียแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าอินเดียมันมีความขัดแย้งอะไรกันอยู่พอสมควรแต่ผมก็เชื่อว่าลึกๆแล้วอินเดียยังมีผู้นําทางด้านจิตใจและผู้นําทางด้านจิตใจเนี่ยยังมีพลังที่พอจะช่วยชุดช่วยดึงถ้าไม่มีพลังช่วยฉุดช่ยดึงอินเดียไปไกลกว่านี้แล้วนะครับ แล้วที่สําคัญอยู่ผมก็้าใจว่าอินเดียนี้เป็นประเทศที่น่าหันใจตรงที่ว่าเขาตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับถูกกระทําจากอาระยธรรมโลกข้างนอกเนี่ยนะครับหรือวัฒนธรรมโลกข้างนอกเป็นเวลานานคนอินเดียสูญเสียความเชื่อมั่นในศักยภาพหรือในความดีงามของตัวเองถ้าเราไปชนบทที่อินเดียเราจะรู้เลยว่าคนอินเดียน่าสงสารมากที่เขาเขารู้สึกเขาสูญเสียความความเชื่อมั่นในความเป็นอินเดียที่ดีๆเนี่ยนะครับ เมื่อม่กี่วันมานี้ผมยังกลับไปคุยกับท่านคงศุละจําคงศุลอินเดียประจําเชียงใหม่เนี่ยนะครับผมไปคุยแล้วเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออผมบอกว่าผมรู้สึกเสียดายมากที่เรารู้จักอินเดียน้อยและที่สําคัญคือเส้เสนทางในการรู้จักอินเดียนี่มันไกลมากต้องอ้อมไปอเมริกาอ้อมไปยุโรปก่อนแล้วจึงค่อยวกกลับมาอินเดียเราไม่มีสะพานถนนตรงที่จะรู้จักอินเดียตรงเลยไปสู่ประเทศอินเดียเลย คือแกมาอยู่เมืองไทยแล้วแกก็ประทับใจเมืองไท ย, น, ยนะครับแล้วผมก็บอกผมไปอยู่อินเดียผมประทับใจอินเดียทําไมเราไม่เอาความประทับใจทั้งสองส่วนนี้มาแปะต่อให้ได้ตอนคาถามของอาจารย์ในโควิดผมคงตอบยากแต่ผมก็ยังมีความเชื่อลึกๆกว่าอินเดียแม้ว่าจะมีคนเป็นจํานวนหลายร้อยล้านหันไปสู่การแสวงหาโภคทรัพย์จนไม่คิดถึงอารยทรัพย์ไปแสวงหาสิ่งที่มันเป็นวัตถุมากกว่าจิตใจแต่ก็มีคนเป็นจํานวนเป็นร้อยล้านเหมือนกันนะครับที่แสวงหาสิ่งที่มันเป็นนามธรรมาจิตใจและผมเชื่อว่า ด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่เนี่ยนะครับคงมีพลังพอที่จะทำให้อินเดียคงทนอยู่ได้ในทั้งห่ดสภาพแวดล้อมที่ที่เป็นเช่นนั้นครับก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงเหมือนกันก็เป็นข้อสันนิษฐานของผมครับใกล้เที่ยงก็ที่จะการาววิพื่ออรัธนาที่เราฟังอะไรละวรัอารัธนาแต่ก็ถึงตรงนั้นอย่า ฟังอาจารย์ประมวลแล้วก็ไม่แปลกใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงบรรลุธรรมท่านทิ้งปราสาทราชวังต้องหวันเลยท่ามีมากกว่าจาก่านนในวังเตือตั ว, ตวออกเดินทางไปแล้วไปทั้หกปีใช่ไหมเงินก็ไม่มีอะไรไม่มีเลยท่านไปสัมผัสของจริงแล้ท่านบรรลุธรรมได้ เดินทางไกลกว่าเกาะสมุรที่ท่านทีนี้นขณะ น, นี้พวกเราที่ประชุมกันอยู่ที่เนี่ยที่เด็กจิตวิวัฒนเนี่ยเรามีความเชื่อร่วมกันว่าโลกเนี่ยไปไม่ได้เลยเรื่องภายนอกก็ทํากันไปจนเต็มที่ละแล้วก็ยิ่งยุ่งมากขึ้นยิ่งมวิกฤตมากขึ้นของทั้งอาศัยการเปลี่ยนแปลงภายในที่แบบเด็กจิตวิวัาน์าจะเรียกขึ้น ทีนี้พวกเราหลายคนในที่นี้กำลังร่วมมืรทำหลักสูตรมีความทะเยอทะยานมากกำลังพัฒนาหลักสูตรด้านเรียกว่าจิตตปัญญาศึกษาหรือ contemplative education อยังไม่ทราบจะเรียกชื่ออะไรแต่ว่าเป็นเรื่องของโลกภายในเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเรีย น, ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ว่าเราทะเยอะยานมากอย่า คิดว่าจะช่วยกันทาตรงนี้ให้ดีที่สุดครูคนที่จะเป็นครูก็เรียนรู้ด้วยฝึกตัวเองด้วยแล้วต่อไปเนี่ยก็จะรับนักเรียนอาจจะปิญญาโทปัญญาเองหรือไม่มีปิญญาอัไร แ, แต่มีหลายแบบฝึกคนขึ้นมาให้มันเกิด Critical Mass แล้วก็จะขยายตัวไปมาอะไรต่างๆคิดว่าต่อไปการศึกษาทุกจะไดทุกประเภทเนี่ย มันต้องมีการศึกษาด้านไหน่ทั่วไปหมดให้เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศเพะฉะนั้นขั้นแรกนี่ก็จะพรุ่งนี้ใช่ไหมคนสามสิบคนเนี่ยก็จะสามสิบคนที่จะร่วมเป็นครูเนี่ยแต่ว่าจะเรียนรู้ฝึกตัวเองสะก่อนแ้วเธอใช้เวลาเท่ า, านะักเกือบปีหนึ่งจัดนี้ไปแล้วต่อไปก็จะเปิดลักสูนย์ที่ตนองงามสิ่งที่จะอารันาก็คือว่า รัศนาอาจารย์สอนเป็นตั้งเขาถ้าเป็นไปได้ในหลักสูตรนี้หรือว่าก็พรุ่งนี้คนสามสิบคนจะพบกันใช่ไม่ทราบอาจารย์ยังอยู่หรือว่าถ้าอยู่ไปคุยกับฝันเพราะว่าไอ้ตัวหลักสูตรเนี่ยส่วนหนึ่งที่ก็พูดกันเนี่ยก็มีเรื่องการ retreat ไปอยู่กับธรรมชาติไปอยู่กับตัวเองเนีย่ยไม่ได้กำหนดว่านานเท่าไหร่น่าจะต้องเป็นส่วนสำคัญ น่าจะมีหลายรูปแบบจะไปในป่าไปไหนอยู่คนเดียวหรือว่าจะแบกอรจาดเนี่ยถ้าบางคนอยากทำอนิจจาก็ไปคนเดียวไม่มีเงินทองเดินไป ส, สัมผัสชีวิตเห็นตัวเองเนี่น่าจะต้องเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าเราจะเรียนเป็นวิชาเท่าไรเท่าไรเนีมันก็ยากต้องเอาเป็นประสบการณ์จงเหมือนขอพระานารย์เพลินเหมือนเล่าอ่านพุทธธรรม ของพระธรรมพิ độ ต้องเลิมบะเลิมก็ น, นก้อยคนอย า, อาจกจบแต่ถ้าไม่ระวังเราจะเอาวิชาการเป็นตัวตั้งเพราะเราโตมาแบบนี้ทุกวันเราวิชาเป็นตัวตั้งเสมอเราพวกเรามาอย่างนั้นทุกคนจะเป็นอย่างนั้นแล้วบางทีเราพขไม่เข้าใจล้ว เ, เข้าไปสู่วความขัดแยง้งก็ตัวเหตุผลพอมีประสบกา ร, รณ์ลูกลูกคนนี้ก็ทะเลาะกันใหญ่ก แล้วต่างคนต่างว่าไม่มีเหตุผลเพราะว่าดูเองเหตุผลของคนแก่อายุ80กับคนนมเนี่ยมันคงจะเป็นคนละเหตุผลผมก็ไปบอกเขาว่าเราไม่ใช่เอาเหตุผลเป็นตัวตั้งไนดะ้และอาการอยู่ร่วมกันเป็นตัวตั้งต่ามนุษย์เนะี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนไปถ้าเอาเหตุผลเป็นตัวตั้งนี้จะไม่หยุดทะเลาะ ก, กันนะอันนี้เราจะคุ้นเคยมานะที่เราเรียนเมนะื่อเราเอาเหตุผลเป็นตัวตั้ง ทุกเรื่องไปเอผมมีเรื่องเล็กๆน่าไม่น่าเ น, นี่ยนั่งเครื่องบินเอรอเขาก็จะมาย้ายผมไปนั่งชั้นดิสนีสผมนั่งชั้นก้างนก็เถียงกันอยู่นั้นนะ่ะเขาก็เถียงเหตุผลว่าทําไมผมควรจะย่างนั้นผมก็เถียงเหตุผลวราผมทำไมผมไม่ควรผมบอกผมไปคนชั้นต่ำผมสนะผมก็ไม่ไป <laughs> นะักเท้ายวเขาพูดว่า คุณหมออย่าขัดใจหนูเลยผมก็เลยเปลี่ย น, น <c oughs> ผมก็เลยไปผมก็เลยไปผมรู้ว่านี่เขาเปลี่ยนวิธีการแล้วเขาใช้ใจแล้วเขาไม่ใช่เหตุผล <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นหลักอันถ้าเวลาคนชวนไปทําไม่ดีเนี่ยเช่นไปกินเหล้าไปสุพรรีไปทําอะไรถ้าเราไปต่อสู้ได้เหตุผลเนี่ยไม่มีทางชนะแต่ต่อสู้ว่าบเขาว่ามันไม่ดียังไงเขาจะอธิบายกลับมา ว่ามันดีไปนะต้องใช้วิธีเลยเช่นบอกแม่ไม่ให้ไปเรือกเล็กเนี้ยไม่มีเหตุผล ใ, ใจใจลืมใจแต่ว่าเจออย่างเล็กๆใก ล, ก ล, กกล้ดอ็อตอร ว, วันีนั่งไปด้วยผมก็หัวร้อนกล้าเลยบอกคุณหมออย่าขใจลูกเลยผมก็เดินไ ป, ไป <c oughs> คือต้องต้องเราคิดว่าต้องเอาใจต้องอาใจ ท, ที่เราไปดูเฉียจีเนี่ยก็เห็นชัด เ, เข้าใจนําแต่ว่าที่เอาใจนําเนี่ย ไอ้ความเบ็่เวีย้ยศาสเขาก็มีเรื่องเหดุผลใช่ไหมแต่วันเขาตามมาเพื่อรับใช้ใจนะรัตนาไปแล้วถ้าอาจารย์ไม่ปฏิเสธก็ถือว่าตนองแก้วิว่าก็ใกล้เที่ยงพอดีนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเรายังมีเวลาอยู่อีกที่จะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับด้านการศึกษาโดยเฉพาะนะครับถ้าหากว่าอาจารย์จะได้อยู่คุยแลกเปลี่ยนในเรื่อง โดยเพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเกี่ยวกับระบบการศึกษาทัา้งอินเดียหรือสันตินิเกตันซึ่งก็เป็นแม่แบบอันหนึ่งในการศึกษาที่ผสมประสามทั้งทั้งหลายด้านเข้าไว้ด้วยกันก็ใกล้จะเป็นประโยชน์กับเราอยู่หกันเพราะว่าพวกสถาบันเหล่านี้เนี่ยก็ก็อาจจะมีบทเรียนที่สันตินิเกตันเนี่ยในเมืองไทยก็มีคนไปเรียนมาจากที่นั่นอยู่จานวนหนึ่งนะฮะเฟื้อ แล้วก็ยังมีอีกสองสาท่านพยับแดดที่แปลหนังสือต่างๆมันยุชื่อจริงผมจำไม่ได้แต่ว่าก็เรายังไม่มีโอกาสได้เชิญพวกที่ได้มีโอกาสไปเรียนที่นั่นจริงๆเนี่ยมานั่งคุยกันกับเราก็คิดว่าสักวันหนึงอาจจะได้คุยกันอาจจะได้เชิญมาด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนบ่ายวันนี้ก็จะคุยกันในเรื่องการศึกษาซึ่งคิดว่าที่เดียรคงมีอะไรหลายอย่างให้เราได้เรีนรู้เหมือนกันแล้วก็จะเป็นเบี A ่ยวดยตรงกับอีก แผนงานจิตปัญญาศึกษาของเราด้วยนะครับผมคิดว่าเช้านี้ก็เนื้อหาเต็มเปี่ยมเลยนะครับก็คิดว่าคงจะไ ด, ได้เวลาเอ้าเอเชียยังมีอะไรเชิกันก็คงไม่มีอะไรมากมนะครับแค่ก็คงจะเหมือนทุกท่านก็อยากจะกลับขอบคุณอาจารย์นะครับก็อา่าก็ผมคิดว่าเรื่องเรื่องการเอาตัวเองไปทดลอง เจอความจริงเนี่ยมันก็เป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนส่วนสําคัญค <Okay. S 1> แล้วก็อ่าก็รู้สึกว่าวันนี้ก็มีโอกาสดีได้ได้ไดมาฟังอาจารย์ก็รู้สึกว่าก็ช่วยปรับมุมมองของผมก็สมควรเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเดินทางข้างหน้านะครับก็รู้สึกว่าเป็นเป็นวันนี้ก็รู้สึกเป็นเป็นมงคลของชีวิตนะครับรู้สึกว่าก็มาฟังธรรมในรูปแบบรูปแบบหนึ่งนะครับก็เจอเจอบัณฑิตดีๆอะไรเงี้ยครับก็ก็รู้สึก อยากจะแบ่งปันความความรู้สึกเนี่ยสิเชยก็รู้สึกดีก็อยากจะกล่าวอำว่าคุณอัญจารย์ครับก็เป็นบุญของผมแล้วนะครับวันนี้ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้เวลารับประทานอาหารนะครับ